ถึงข้อความในมิลินทปัญหาพระเจ้ามิลินถามพระนาคเซนว่ า, าคนที่ไม่เคยบรรลุพระนิพพานเนี่ยจะรู้ได้ไหมว่าพระนิพพานนี่เป็นสุขพระนิพพานนี่ดีสงบผู้ที่ตรัสรู้พระนิพพานแล้วก็จะถึงความสุขว่างั้นก็ว่าคนที่ยังไม่บรรลุนี่จะรู้ไหมว่านิพพานนี่ดีหรือว่าเรียกว่าสบายรู้ไหมยอมรู้ไหม ว่า <c oughs> พระเจ้ามิลินถามพระนาคเซนพระนาคเซนก็ตอบว่าพอรู้ได้นะคนที่ไม่เคยบรรลุพระนิพพานก็พอรู้อยู่ว่าพระนิพพานเป็นสุขอารู้ได้ยังไงว่าตัวเองไม่เคยเพราะตัวเองไม่เคยบรรลุนิพพานเขาบอกว่าเปรียบเหมือนอย่างว่าเวลาที่เราเห็นคนที่ถูกตัดมือตัดเท้าเลือดไหลอาบเนี่ยนะ เราพอรู้ได้ไหมว่าเขามีความทุกข์เอาทั้งๆ ท, ท, ที่เราก็ไม่ได้ขาดมือแทนเราก็ไม่ได้ขาดเลือดก็ไม่ได้ไหลอาบแบบนั้นเนี่ยเรารู้ได้ยังไงว่าเป็นทุกข์ล่ะอันนั้นก็พอรู้ได้จากกิริยาอาการของคนคนที่ถูกตัดมือตัดเท้านนะแสดงอาการทุรนทุรายกังวลกวายความเจ็บปวดเหล่านั้นที่เกิดจากการตัดมือตัดเท้าหรือมือเท้าขาดฉันใด เราก็ทราบได้ว่าพระนิพพานเป็นสุขพระนิพพานนี้เป็นสุขนะคิดดูว่าพระพุทธเจ้าหลังจากที่ตรัสรู้พระนิพพานแล้วพระองค์ก็ไม่ย้อนกลับไปหาวัตถุกรรมพระองค์ก็เป็นผู้ที่มีความสุขหลังจากที่ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้พระนิพพานชีวิตของพระองค์ก็เป็นชีวิตที่มีแต่ความสุขอาจจะป่วยบ้างทางร่างกายที่เป็นเศษของกรรม แต่จิตใจของพระองค์ก็มีแต่ความสุขเพราะพระองค์ได้ประสบถึงพระนิพพานที่เป็นสุขระสาวกทั้งหลายของท่านทะสาวกเหล่านั้นที่ตรัสรู้พระนิพพานทะสาวกเหล่านั้นก็ดำรงอยู่ด้วยความสุขท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่เข้าถึงความสุขมีชีวิตอยู่อย่างผาสุขและสงบสุขเพราะตรัสรู้ธรรมที่เป็นสุขจากผู้ที่ตรัสรูม้มรรคผลนิพพาน ท่านเหล่านั้นก็มีแต่อัธยาศัยน้อมไปในมรรคผลนิพพานเพราะมรรคผลนิพพานเหล่านั้นเป็นความสุขเนี่ยเป็นความสุขอย่างในเนี่ยพระอัญญาโกณทัญญนะผู้ที่ตรัสรู้พระนิพพานครั้งแรกในหมู่มนุษย์ทั้งหลายพระัญญาโกณทัญญาตรัสรู้ก่อนเพื่อนท่านกับท่านก็เป็นผู้ที่เข้าถึงความสุขนี่ยนอย่างมาดูในตันหัขยะสูตรอ่าคุตการนิกายอุทานข้อ 152หน้า680สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบินธิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลท่านพระอัญญาโกนธัญะนั่งคูบาลังตั้งกายตรงพิจารณาซึ่งความสิ้นตัณหาอยู่ในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นท่านพระัญญาโกนธัญะญนั่งคูบลังตั้งกายตรงพิจารณาเห็นซึ่งความหลุดพ้นเพราะความสิ้นตัณหาอยู่ในที่ไม่ไกลคำว่าความสิ้นตัณหาตัวนี้เป็นชื่อของอรหัตตะผลอรหัตตะผลนี่มีอะไรเป็นอารมณ์อรหัตตะผลรู้อะไรก็รู้นิพพานนั่นนะนั่งพิจารณาอรหัตตผลที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นนะ อรหัตผลนั้นถือว่าเป็นผลของการแทงตลอดอริยสัจเป็นผลที่เกิดจากการทำกิจ16ในอริยสัจเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็พิจารณาความสุขที่เขาบอกว่าอรหัตผลเนี่ยเป็นอารมณนาที่ปฏิของของปัจจเวกขณะยานของพระอรหันต์ทั้งหลายนะสิ่งที่จะทําให้พระอริยะบุคคลระดับพระอรหันต์ยินดีได้เนี่ยนะมีอรหัตตมรรคอรหัตผลและพระนิพพาน ส่วนที่เหลือนี่ท่านก็ยินดีแบบนั้นนะนะแต่ก็ไม่ใช่ว่ายินดีแบบอ ะ, อะไรนะเคยเห็นแบบอาหารบางอย่างเนี่ยนะบอกอก็อร่อยอะนะแต่ว่ามันไม่อร่อยแบบสุดๆที่ตัวเองต้องการจริงฉันใดทำหน้าอย่างอื่นก็ทำให้พลาอาหารท่านโสมนัสได้แต่สิ่งนั้นเนี่ยจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความประทับใจอย่างสุดซึ้งเท่ากับอรหัตตะมักอรหัตตพลและพระนิพาน พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความที่พระอัญญากลทัญญะนั่งพิจารณาความสิ้นตัณหาพระองค์ก็เปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพระอริยะบุคคลใดไม่มีอวิชชาเป็นมูลรากไม่มีแผ่นดินคืออาสวะนิวรนและอโยนิโสมนสิการไม่มีเทวันไม่มีเทวันคือมานะและอติมานะเป็นต้น ไม่มีใบคือความเมาความประมาทมายาและสาถาเป็นต้นจะมีมาแต่ไหน น, นะหมายว่าถ้าไม่มีรากไม่มีแผ่นดินแล้วกิ่งใบจะมีมาจากไหนว่างั้นใครเล่าจะควรนินทาพระอริยะบุคคลนั้นผู้เป็นนักปราดผู้พ้นแล้วจากเครื่องผูกแม้เทวดาก็ชมถึงพรมก็ย่อมสรรเสริญพระอริยบุคคล น, นั้นสังเกตดูนะว่าผู้ที่กาจัด กิเลสได้เนี่ยเป็นผู้ที่มีความสุขจริงๆผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่เนี่ยก็ยังเชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความทุกข์เนี่ยนะคำว่ากิเลสเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยถ้าแปลว่าทับศัพท์ไปเลยว่ากิเลสกิเลสมันไม่น่าละเลยนะยอมาล่าละไม่กิเลสฟังแล้วก็เฉยๆนะมันเป็นกิเลสจนยอมรับสภาพไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าบอกว่าความเศร้าหมอง ความเศร้าความหมองความหม่นมองที่มีอยู่ในใจของเราเนี่ยนะนะสิ่งเหล่านี้เลวร้ายจริงหรือความเศร้าความมองความหมน ม, ม, มองนะนะบาปอกุศลที่มีอยู่ในใจเนะี่ยสิ่งที่สร้างความเสียหายโดยประการทั้งปวงให้ทําให้จิตใจเร่าร้อนเดือดร้อนแผดเผามันเป็นเชื้อโรคที่ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในจิตและประทุษร้ายทําลายอย่างอื่นหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยนะนะถ้ากําจัดสิ่งเหล่านี้ได้จริงมีความสุขจริงหรือจริงไหม ถ้าจริงอ่ะนะมันถ้ากำจัดความเลวร้ายที่อยู่ในใจออกได้หมดก็เชื่อว่าประสบแต่ความสุขได้จริงนในพุทธพจน์ในอุทานตรงนี้เนี่ยอุปมากิเลสทั้งหลายเหมือนต้นไม้นอุปมากิเลสเหมือนต้นไม้อ่ะนะอวิชาเป็นเหมือนกับรากรากแก้วรากใหญ่แล้วก็ไอ้รากแก้วตัวนี้เนี่ยรากฝอยมันเยอะมันดูดซึมได้ดีมากเลย ไอ้รากแก้วเขือวิชาเนี่ยนะอะไรมั่งไม่เป็นอาหารของอวิชามั่งนะกามาสวะไอ้อาสวะสีเป็นอาหารที่อร ե ตอร่อยของอวิชาพันอวิชาเนี่ยมีรากฝอยในตัวมันเองเล็กๆเยอะๆไปหมดเลยแล้วมันเป็นรากแก้วที่ยิ่งใหญ่ของต้นไม้ต้นไม้ที่จะเจริญเติบโต้วต้องอาศัยแผ่นดินใช่ไหมแผ่นดินที่เป็นปุ๋ยมีอะไรบ้างอาสวะนิวรอโยนิโสมนศิการนะ อาสวะก็คือเครื่องหมักดองสิ่งที่หมักหมมอ่ะนะเครื่องหมักห ม, มมที่อยู่ในใจที่ได้เชื่อได้อะไรก็ประทุขึ้นมาเพราะมันหมักห ม, มมมานานเต็มทีแล้วแล้วก็นิวรณิวรณ์ก็เครื่องปิดเครื่องกัน้นห้ามกุศลจิตเกิดขึ้นห้ามไม่ให้สติเกิดห้ามไม่ให้ปัญญาเกิดห้ามไม่ให้กุศลธรรมทั้งหลายเกิดห้ามไม่ให้คุณงามความดีเรียกว่าเป็นตัวบังบังไม่ให้ประสบความสุข ปิดบังให้จมอยู่แต่ในกองทุกข์แล้วก็อโยนิโสมนสิการตรงนี้เห็นชัดที่ว่าบอกว่าอโยนิโสมนสิการ์นี่กว้างขวางเหมือนแผ่นดินเราตั้งคําถามดูว่าตรงไหนบ้างที่เราเป็นอารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งโยนิโสมนสิการเนี่ยนะในโลกนี้นะมีกี่จุดกี่ตาแหน่งที่เราเจริญโยนิโสมนสิการไปถึงเมื่อไหร่ก็โยนิโสมนสิการมีเยอะไหมถ้าเทียบกับ เป็นที่ตั้งแห่งอโยนิโสมนัสิการไหนมากกว่ากันตำแหน่งที่เราไปเจริญบุญไปโยนิโสมนัสิการในโลกนี้มีกี่จุดเองจำได้มีไม่กี่จุดอะนะไปสวดมนต์อยู่ไม่กี่แห่งไปพิจารณาพระธรรมอยู่ไม่กี่ที่ที่เหลืออโยนิโสมนัสิการเนี่ยนะมากกว่าพระอโยนิโสมนสิการเนี่ยพอๆกับแผ่นดินมันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนั้นที่ใดบ้างที่เราไปมีโยนิโสมนัสิการหายากโดยมากก็ไป อโยนิโสมนัสการเพราะคนส่วนใหญ่จึงไประลึกถึงบุญเก่าตัวเองไม่ได้ระลึกถึงได้แต่บาปเก่าๆที่ไปเคยทํามาเนี่ยนะเพราะว่าอโยนิโสมนัิการมันมากเหลือเกินแต่ที่เป็นอย่างนั้นอโยนิโสมนัิการก็มีอาหารไงก็ไปฟังแต่เดรัชานกถาเป็นต้นมันจะไปมีโยนิโสมนัิการได้อย่างไรไปครบแต่ปาปามิตรเนี่ยนะครบแต่ปาปามิตรไม่ได้ฟังพระสัจธรรมเลยไปฟังแต่ติระชานกถา ไปฟังแต่คําพูดที่ขวางสวรรค์ควางนิพานขวางคุณงามความดีไปฟังแต่คําพูดที่ยั่วยุนชวนให้โกรธไปฟังแต่คําพูดชวนให้เครียดชวนให้หงุดหงิดชวนให้จิตใจเดือดร้อนชวนให้จิตใจวุ่นวายสับสนไปฟังแต่คําพูดชวนให้ไม่สบายใจนะเรียกว่าคําพูดทั้งหลายในโลกนี่ประดุดน้ําใจของเราที่ไปเกาะเกี่ยวมาก็ริ้วรอยเต็มไปหมดเลยนะรเรื่อง เดินเชียวๆไปก็ได้เรื่องแต่ไม่สบายใจกับมาจนได้นั น, นะก็เลยแกล้งบอกทําใจให้สบายประมไม่สบายง่ายๆหรอกเหนไะถ้ายัางอะไรนะเอาใจไปขูดกับ น, น้ําอยู่ไม่สบายใจง่ายๆหรอกนนะอโยนิสมฆ์นาซิกาเนี่ยมันมีมากเนี่ยนะนะเพราะว่าที่ใดที่เราไม่ได้ฟังพระสัตยธรรมที่ใดที่เราไม่พิจารณาพระธรรมคำํำสอนลงเอาไว้ในสิ่งนั้นๆ น, น, นะยากนะที่นั้นๆจะเป็นที่ตั้งแห่ง โยนิสโสมนาสิการทั้งการปฏิบัติธรรมทั้งหลายการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะต้องศึกษาต้องเรียนรู้เพียงพอที่จะให้โยนิสโสเกิดเท่าแผ่นดินเหมือนกันเียนะถ้าหาว่ามองในยะตรงกันข้ามนะลองพลิกดูตรงกันข้ามจะเห็นว่าถ้ารากเง่าของเราคือปัญญาแผ่นดินคืออนาสวะนิวรณ์ไม่กลุ่มรุมโยนิสโสมนาสิการ นะสิ่งที่จะทําให้เจริญงอกงามก็คือความไม่มีมานะก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นต้นเนี่ยนะแต่นี้ถ้าพูดถึงต้นไม้ที่มีรากเป็นพิษเนี่ยนะคือวิชาเป็นพิษเจริญเติบโตด้วยแผ่นดินคืออาสวะนิวอนอโยนิโสมนัสิการแล้วก็เถาวันคือมานะและอติมานะเป็นต้นเครือเถาที่ผูกเครือเถาที่มัด ด้วยอำนาจของความเย่อหยิ่งความถือตัวมานะเย่อหยิ่งอติมานะก็ดูมินดูแคลนเยียดยม้มผู้อื่นไปแล้วก็กิ่งใบของของอากุศลเหล่านั้นก็คือความเมาเมาในวัยเมาในชีวิตเมาในความไม่มีโรคเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวานะเมาว่าสุขภาพเรายัางดีอยู่เรียกว่าเมาในความไม่มีโรค เมา ว, ว่าเรายังอายุน้อยอยู่เนี่ยนะเมาว่าเรายังหนุ่มยังสาวอยู่เนี่ยนะเรียกว่าความเมาพอเมาเสร็จก็ตามด้วยความประมาทปล่อยใจไปในทุจริตกรรมนะมองเห็นว่าทุจริตกรรมไม่ได้มีโทษอะไรนะเพลดิดเพลินไปในกรรมาคุณเป็นต้นทีนี้พอตัวเองเนี่ยใช้ชีวิตด้วยความประมาทใช้ชีวิตด้วยบาปอกุศลมากๆ ก, ก็มีมายาอานะ เสแสร้งหลอกลวงโดยประการทั้งปวงนะมีมายาเอา่อมายาเรียกว่าหลอกลวงลวงแต่ภาพปลอมๆ อ, ออกมานนะทำให้ให้เห็นไม่เป็นจริงอะไรนั่นนะทำเรียกว่าอะไรนะลวงเหมือนว่าคนไม่มัวเมารวงว่าเหมือนกับเป็นผู้ที่ไม่ประมาทลวงว่าเป็นผู้มีคุณธรรมทีนี้สาทยะก็สาธยะแปลว่าอะไรนนนะ มาจะโอ้อวดเนี่ยน ะ, ะสาไัยข้าโอ้อวดเนี่ยนะเรียว่าเริ่มอโอ้อวดอวดคุณที่ไม่มีอยู่จริงนั่นแหละหรือทั้งมีจริงอยู่นิดๆหน่อยๆก็มีจริงๆมีหน่อยเดียวนะแต่ว่าพูดเกินเป็นจริงตั้งมากมายมันก็หลอกลวงด้วยโอ้อวดด้วยทีนี้ถ้าหากว่าพระอรหรันต์ล่ะพระอริยเจ้าท่านกําจัดรากที่เป็นพิษเขือวิชาออกแล้ว ทำลายแผ่นดินคืออาสะวะนิวรนอโยนิโสมนสิการตัดเครือเถามานะและอติมานะ น, นะกิ่งใบกิ่งใบก็ร่วงไปหมดคือมัวเมาประมาตมายาเสสาไทยก็ร่วงร่นไปหมดใครเล่าหนาจะนินทาพระอริยะบุคคลเหล่านั้นนะใครเล่าหนาหมายใครในที่นี้เป็นคำถามพูดถึงบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยนะแต่อย่าลืมว่าเอาคนผ่านเป็นประมาณไปคนผ่านนี่ไม่มีชมสักอย่าง บัณดิตที่ไหนเนอจะชื่นชมพระอริยบุคคลผู้มีคุณธรรมเช่นนี้ผู้กำจัดทิฏัยทุกโทษเหล่านี้ได้หมดแล้วพระอริยบุคคลผู้เป็นนักปราดผู้พ้นแล้วจากเครื่องผูกเนีย่ยนะแม้เทวดาก็ยังชื่นชมกับท่านพรหมก็สรรเสริมพระอริยบุคคลเหล่านั้นนะพระพรหมทั้งหลายก็ยังขอนอบน้อมแต่พระอริยบุคคลเหล่านั้นเนีย่ยนะผู้ที่เป็นพระอรหรันต ทู่ถึงพระัญยาโกณทัญญาเนี่ยท่านคือใครบอกว่าพระัญญาโกณทัญญานี่ปรากฏในศาสนาว่าอัญญาโกณทัญญาแต่ชื่อเดิมของท่านชื่อว่าโกณทัญญาเนี่ยนะแต่มีชื่อว่าัญญาโกณทัญญาก็จากคำอุทานของพระผู้มีพระภาคเจ้าตอนที่พระองค์แสดงธรรมจักกับปวัตนสูตรจบว่าัญญาเสวะตะโพโกณทโยว่างั้นท่านผู้เจริญโกณทัญยรู้แล้วหนอ รู้อะไรอันยาสิเนี่ยนะแปลว่ารู้แล้วเนี่ยคือรู้อริยสัจสี่นะท่านโกนธัญะเนี่ยเป็นผู้รู้อริยสัจสีแล้วเนาะของเราได้ยินอริยสัจสีแล้วเนาะเอายังไม่อันยาสิยังไม่รู้สักทีอนะ่ะไหมแต่ได้รู้เมื่อไหร่ก็บอกว่ า, าพูดว่าเรารู้อริยสัจสีแล้วเนาะบ้างเมื่อนั้นนะนะที่บอกว่าพระอัญญาโกนธัญะพิจารณา ความสิ <unlucky. S 2> ้นไปแห่งตันหาตันหาสังขยะวิมุตตเนี่ยนะวิมุตตก็คือความหลุดพ้นตันหาสังขยะก็คือความสิ้นตันหาพิจารณาความสิ้นตันหาว่าหมายถึงธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเพราะเป็นที่สิ้นตันหาเป็นที่ละตันหาคำว่าธรรมะเป็นที่ละตันหาเนี่ยถ้าสภาวะตรงๆเลยก็คือพระนิพพานพระนิพพานเนี่ยคือธรรมชาติที่สิ้นตันหาหมายคําว่า ผู้ใดอบรมเจริญอริยมรรคแทงตลอดพระนิพพานได้ตัณหาจึงถึงความสิ้นไปถ้าไม่แทงตลอดพระนิพพานตัณหาทั้งหลายก็ยังไม่มีจบมีสินน้นเห็นไหมหมายความว่าไม่ตัดได้จริงๆถ้าตัดได้จริงก็ต่อเมื่อแทงตลอดพระนิพพานถ้าแทงตลอดพระนิพพานได้เยื่อให่ทั้งหลายที่ผูกพันเอาไว้ในวะะัะก็จะถูกตัดขาดออกไปงั้นความหลุดพ้น ในเพราะความสิ้นไปแห่งตันหาคือพระนิพพานถ้าตามตันหาสังขยวิมุตตินัยแรกนี้ก็หมายถึงพระนิพพานแต่พระนิพพานอันนี้ก็ในฐานะอารัมมณะปัจจัยของของอรหัตผลขณะเดียวกันพระนิพพานอันนี้ก็เป็นอารมณ์ของปัจเจกขณะยานได้อีกอย่างหนึ่งอริยมรรคชื่อว่าธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหา เพราะเป็นเหตุสิ้นคือละตันเป็นเหตุละตันหาได้อันนี้ในที่สองธรรมะเป็นที่สิ้นตันหาก็คืออริยมรรคถ้าอริยมรรคไม่เกิดตันหาจากสิน้นหรือถ้าไม่อบรมอริยมรรคจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์จักตัดตันหาได้อย่างไรเชื่อว่าตันหาสังขยาวิมุตต์เพราะเพราะวิมุตต์เป็นผลหรือเป็นที่สุดแห่งอริยมรรคเนี่ยนะผู้นั่งพิจารณาสมาบัติอันสัมปยุต ด, ด้วยอรหัสนั้น ก็พิจารณาพระสมมาบัติที่สัมพยุ ด, ด้วยอรหัตอรหัตสมมาบัติก็คือพิจารณาอารหัตผลสมมาบัติจิงอยู่ท่านพระอัญญากลทัญญะเข้าพระสมมาบัติมากเนี่ยนะเป็นผู้มีปกติใช้ชีวิตอยู่การอยู่กับการเข้าพระสมมาบัติเสพวิมุติสุขอยู่โดยมากเนี่ยนะซึ่งต่างจากบุคคลอื่นเนี่ยนะบุคคลอื่นผู้ที่ยังทากิจ เผยแพร่สงเคราะห์บุคคลอื่นการที่จะเข้าพละสมาบัติเนี่ยถือว่าได้น้อยซึ่งต่างจากพระัญญาโกณทัญะพระัญญาโกณทัญยานี่มีหยุดเหตุผลอันหนึ่งเนี่ยนะท่านก็ไม่สอนลูกศิษย์เพราะท่านได้ลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งสอนยากมากนะคือบอกซ้ายมันก็ไปขวาอย่างเงี้ยนะบอกว่าอย่าไปคบคนชั่วแต่ก็ไปโน่นไปอยู่แต่กับคนชั่วเป็นต้นท่านก็ไปเตือนเตือนก็ไม่ฟังนั่นก็บอกก็บอกคืนน่ยนะบอกไม่เอาละ ตอนหลังท่านก็หลีกไปอยู่ในสะชัดทันเนี่ยนะช่วกช้างทั้งหลายอุปถักท่านก็ไปมีความสุขในการเข้าพร ะ, ะสมาบัติสะส่วนใหญ่เนี่ยนะก็มีได้อาหารฉันเสร็จท่านก็ฉันเสร็จท่านก็นั่งเข้าพร ะ, ะสมาบัติเข้านิโรธสมาบัติก็มีปกติอยู่อย่างเัียว่าสุขที่สุดในบรรดาสุขที่ผู้อยู่ในโลกพึงเสวยพึงได้รับก็คือการเข้าพร ะ, ะสมาบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็บอกว่า การมาสุขทั้งหลายเปรียบเหมือนสุขของอะไรสุขที่เกิดจากการเกาแผลคันเท่านั้นเองแต่สุขที่อื่นๆเข้าไปอีกล่ะสุขที่เกิดจากอุปจารสมาธิสุขที่เกิดจากปฐมฌานสุขที่เกิดจากทุติยะฌานเทียบความสุขมีแต่ประณนี๊ยเ่งขึ้นนะสุขที่เกิดจากตติยะฌานจตุตถฌานทั้งทั้งที่มีบัญญัติเป็นอารมณ์ก็ยังสุขขนาดนั้นสุขที่เกิดจากอรูปฌานก็สุขสงบประณี๊กว่ารูปฌานทีนี้สุขที่ โสดาปฏิผลสุขกว่าเนวสัญญานาสัญญาญตนะดีเยี่ยมกว่าเนวสัญญาณาสัญญายาตนะซึ่งเนวสัญญาณาสัญญายาตนะถือว่าสุขสงบประณีตคำว่าสุขในที่นี้แปลว่าไม่มีทุก น, นะไม่ใช่หมายถึงสุขเวทนาแต่หมายถึงความว่าไม่มีความทุกเจืออยู่เลย น, นะเป็นความสงบจากความทุกขได้มาก น, นะเพราะว่า คุณธรรมชั้นสูงเนี่ยขม่มบาปขม่มอกุศลได้มีกำลังยิ่งขึ้นรูปสมาบัติขม่มบาปอากุศลได้มากกว่ามหากุศลอรูปสมาบัติข่มอกุศลได้มากกว่ารูปรูประชานเนี่ยนะั้พระสมาบัติเนี่ยตัดกิเลสได้บางส่วนนี่จะสุขขนาดไหนเพราะมีนิพพานเป็นอารมณ์สกอาาคามีผลอนาคามีผลเป็นต้นเนี่ยก็มีความสุขประนีตยิ่งขึ้นไปกว่านั้น เหมือนกับพรมเดินได้นะ่ะถ้าเป็นพระอนาคามีหรือพระสมาบัตินความสุขยิ่งกว่าสวยอะไรทั้งหมดอีกถ้าเข้าอรหัตผลสมาบัติสุกกว่านั้นไม่รู้กี่พันล้านเท่าพระท่านเหล่านั้นจึงไม่เวียนกลับมาหามหาสังขารอีกเลยเพราะท่านเข้าถึงความสุขที่ที่แท้จริงเนี่ยนะเป็นความสุขที่สูงสุด พ, พระอรหันตเหล่านั้นท่านจึงโดยมากจึงเข้าพระสมาบัติ แต่หลายๆท่านที่สอนพระธรรมได้ก็เพราะพระพุทธเจ้าให้อ่ด้วยอะไรนะคล้ายๆว่าพระพุทธเจ้าใช้ให้เทศเหมือนกันเถอะใช้ให้แสดงธรรมท่านก็เลยทำกันแต่ว่าโดยใจจริงของท่านท่านก็น้อมไปเพราะว่าท่านไม่ได้มีการุณาแบบพระพุทธเจ้าเอาแล้วพระพุทธเจ้าก็มีอรหัตตะผลสมาบัติทำไมพระองค์ยังต้องเที่ยวสอนอจาริกไปตามที่ต่างๆก็บอกว่านั่นพระมหากรุณากระตุน้นเตือน แรงแห่งพระมหากรุณาถ้าใครไปอ่านมหากรุณาสมาบัติยานไปพิจารณาตามนั้นเนี่ยก็บอกว่าเห็นผู้อื่นเขาทุกเกินกว่าที่จะนั่งอยู่อย่างสบายอย่างนั้นเถอะแต่ขณะนั้นพระองค์ก็ไม่ได้ว่าเน็ดทางร่างกายของพระองค์จะเหนื่อยบ้างแต่จิตใจของพระองค์ไม่ได้เหน็ดเหนื่อยเลยเพราะพระองค์ก็ยังเข้าพระสมาบัติโดยโดยมากอยู่ดีเนี่ยนะเพราเวลาที่ผู้อื่นฟังธรรมเนี่ยนะเขาอนุโมทนาสาธุพระองคก็เข้าพระสมาบัติแล้ว พระองค์ก็ไม่ได้อยู่ฟังอะไรหรอกพันธพระองค์จะรับแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเพราะทุกอย่างของพระองค์เนี่ยได้รับการจัดแจงทั้งหมดด้วยอนุภาพของปัญญาพันธ์สิ่งที่พระองค์ทําแต่ละเรื่องทุกเรื่องกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมของพระองค์ทุกอย่างอนุว่าตามอนุภาพของปัญญาทั้งหมดแม้แต่การอุทานของพระพุทธเจ้า น, นี้ก็เหมือนกันเป็นการอุทานที่มีปัญญาเป็นสมุทฐาน แล้วก็มีปัญญานั่นแหละเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้เพราะการอุทานของพระองค์หมายถึงว่าพระองค์เนี่ยสันเสริญพระัญญากลทัญญะบุคคลอื่นก็จะเอาพระอัญญากลทัญญะเป็นอุทาหฮอนเป็นเยี่ยงเป็นอย่างถ้าพระพุทธเจ้าชมผู้ใดผู้นั้นเป็นตราโชวหมายค่าว่าเป็นอะไรนะเป็นสิ่งที่มาตรฐานที่พระองค์ยอมรับเพราะฉะนั้นคนก็จะอยากเป็นแบบนั้นบ้างก็อย่างว่าพระพุทธเจ้าสันเสริญสิ่งใดสาวกทั้งหลายก็ ชื่นชมยินดีกับสิ่งนั้นเนี่ยนะเพราะว่าแสดงว่าสิ่งนั้นต้องดีจริงพระพุทธเจ้าจึงชื่นชมเนี่ยนะทันพระองค์ไี่ทราบถึงการพิจารณาปัจเวกขณะยานพิจารณาอารหัตตผลของพระอัญญาโกลธัญญะอย่างนี้แล้วองค์ก็เปล่งอุทานนี้บทว่ายะสะมูลังชมานติพระอริยบุคคลใดไม่มีอวิชชาอันเป็นดุจรากของต้นไม้คืออัตภาพ ทุกคนเวลาเดินเหยียบเข้าไปหนึ่งก้าวเนี่ยรากฝังลึกเลยนะแต่ทุกก้าวทุกก้าวทุกก้าวเนี่ยอะไรฝังลึกอวิชชาฝังลึกย่ำย่ําเท้าไปทุกก้าวอวิชชาก็ยังลึกลืมตาทุกครั้งเนี่ยก็ฝังรากคืออวิชชาเอาไว้เนี่ยนะหูได้ยินเสียงก็ฝังรากคืออวิชชาเอา้าก็ตามมองเห็นเห็นอริยสัจไหมล่ะถ้าไม่เห็นอริยสัจอวิชชาก็อ่านะฝังรากลงแล้วเนี่ยนะหูได้ยินเสียงแววแววมาเนี่ย ถ้าไม่เห็นอริยสัจก็อวิชาก็ฝังลึกฝังลึกเนยนะถ้าหากว่าไม่เห็นอริยสัจปั๊บรู้กลิ่นก็อวิชาก็ยังรึกนะรู้รสรับประทานอาหารก็อวิชาก็ยังรากลงลึกนะรับกระทบสัมผัส ท, ทางกายเนื้อคิดเรื่องราวใดๆโดยมากก็อวิชายัางรากลงลึกเอ๊ะแล้วเราไม่มีดีบ้างเลยหรือมีแต่ว่ามันน้อยให้เกินกว่าที่จะเอามาคุยกันเนี่ยมันไม่ค่อยมากนัก น, นนะถ้าเทียบกับอวิชานี่นะ ปัญญาก็ยังถือว่าริปรีเต็มทีเนี่ยนะติดติดดับดติดดับไม่รู้สังเกตดูนะทาให้เข้าข้างตัวเองจนเกินไปก็จะเข้าใจนะคือถ้าหากว่าเราอยู่แบบในเวทวงของเราเองบอกโอ้เราเนี่เก่งมากกุศ ล, ลจิตเกิดดีอยู่ในเวทวงของอะไรนะในเวทวงของผู้ที่เต็มไปด้วยนานแน่นไปด้วยอกุศลเนี่ยนะเราก็เลยเหมือนกับว่าโอ้เราดีเหลือเกินแต่ถ้าไปศึกษาโลกของพระเรียกเจ้าจะรู้ว่าเราเนี่ห่างท่านจริงๆเนี่ยนะสมควรแล้วที่มันเกิดสองพันกว่าปีเนี่ย หางหลายเรื่องด้วยกันสรุปว่าถ้าพระอริยะบุคคลเนี่ยนะไม่มีวิชาเป็นรากเนี่ยนะแล้วก็ไม่มีแผ่นดินคืออาสวะนิวร์และอาโยนิโสมนัิการอันเป็นที่ตั้งอาศัยของอวิชาเพราะทอนขึ้นได้ด้วยอริยมรรคเอ่นรากที่ที่มันหยั่งลงได้ก็ต้องอาศัยแผ่นดินใช่ไหมถ้า ต, ตัวตัวแผ่นดินที่ไปบำรุงรากคื อ, อวิชาคืออะไรอาสวะก็บำรุงราก อ, อวิช า, าวิชาก็ดูดซึมอาสวะเข้าไปอวิชาก็ดูดซึมนิวรณ์เข้าไปอวิชาก็ดูดซึมอโยนิโสมนัิการเข้าไปเพราะฉะนั้นอวิชาก็เลยดูดซึมอาหารได้เต็มที่ก็เลยต้นไม้ก็งอกงามเจริญเติบโตโอ้สายพันธุ์เนี่ยไม่มีขาดง่ายๆฆ่ายังไงก็ไม่ตายนะถ้าไม่ใช่อาวุธระดับอรหัตรรมตัดเนี่ยนะโอ้ยากยต้องเป็นแบบ ขวานคมมากนะขวานฟ้านั่นแหะจึงจะตัดขาดนะนะต้องขวานแบบอะไรนะโสดาปฏิมักสก่าทาคามีมกักอนาคามีมกนะักในท่านอุปมาเหมือนสายฟ้าแลบว่างนะั้นอะรหัตมักเหมือนฟ้าผ่าว่างนะั้นต้องขนาดนั้นนะ่ะจึงจะขาดเฉาตายจริงๆ <P> เพราะว่าถ้าถ้ากล่าวตามนี้เนี่ยนะบอกว่าอาวิชาก็มีอาหารอะไรคืออาหารของอวิชาอาสวะเนี่ยนะอีกสูตรหนึ่งเขาบอกว่านิวรนเป็นอาหารของ อวิชาหลายแห่งบอกว่าอวิชามีอโยนิโสมนัสิการเป็นเหตุไกลเพราะฉะนั้นอวิชานี้ที่เป็นรากเนี่ยนะดูดซึมอาสวะเข้าไปดูดซึมนิวรณ์ดูดซึมอโยนิโสมนัสิการเข้าไปทีนี้ถ้าจะถอนรากอันนี้ได้ก็ต้องตัดอาสวะไม่ให้ส่งอาหารไปหล่อเลี้ยงรากตัดนิวรณ์ไม่ให้หล่อเลี้ยงรากคื่อวิชาตัดอโยนิโสมนัสิการไม่ให้ไปหล่อเลี้ยงรากคื่อวิชา แล้วก็ถอนอวิชาด้วยอรหัตตะมักเนี่ยนะขุดรากถอนโคนเลยนะถอนโคนออกไปให้หมดเอาไปสับมันเละแล้วก็อะไรนะเอาไปขั่วเผาแล้วก็เอาไปโปรยให้มันปลิวหายไปหมดเลยนะท่านไนโนทนสังยุตตะนิกายพระองค์แสดงอย่างนั้นแหละบทว่าปัรณานติกุโตละตาเครือเทาก็ไม่มีใบจะมีมาแต่ที่ไหนไอ้คำว่าเครือเทาเครือเทาก็คือเครือวันเทาวันเนี่ยนะ กล่าวคือกิ่งใหญ่กิ่งน้อยเครือเทาในที่นี้หมายถึงกิ่งของต้นไม้ตัวนี้นะมีกิ่งมีอะไรมัง่งมานะ น, นะมานะก็เยอะยิงลำพองอติมานะดูหมิ่นคนอื่นเขาเป็นต้นที่นี้ถ้ากิ่งไม่มีใบคือความประมาะเามาวความประมาทมายาสาไทย น, นะหลอกลวงโอ้อวดจะมีมาจากไหน น, นะอีกในหนึ่งก็บอกว่าปันนานติกุโตรตา น, นะ ปนาแปลว่าใบเนี่ยนะละตาก็เถาวันนะบอกว่าเมื่อหน่อไม้งอกงามขึ้นใบก็บังเกิดขึ้นก่อนและภายหลังท่านกล่าวชื่อว่าลตาลตาก็คือกิ่งน้อยกิ่งใหญ่ในคํานั้นมูลคืออวิชชาและกิเลสมีอาสวะเป็นต้นอันเป็นที่ตั้งอาศัยของมูลคืออวิชชานั้นย่อมไม่มีแก่ต้นไม้คืออัตภาพใดอันควรแก่การเกิดขึ้นในเมื่อไม่มีการเจริญอริยมรรคเพราะเจริญอริยมรรคแล้วนะ อนุภาพของอริยมรรคที่เกิดขึ้นกำจัดพิษภัยทุกโทษทั้งหมดได้โดยประการทั้งปวงก็สามารถดับทุกทั้งหมดได้อย่างเด็ดขาดถึงความพ้นทุกได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยนะมันถ้าหากว่าทำลายต้นต้นไม้ที่เลวร้ายอันนี้ได้ความทุกทั้งหลายก็เป็นอันสงบไปเนี่ยนะในที่นี้มูลสับมูละมูละแปลว่าโดยสมูลแปลว่ารากนะ ท่านถือเอาภาวะที่กรรมเป็นที่ตั้งแห่งพืชเพราะเป็นเหตุแห่งมูลรากก็เมื่อพืชคือกรรมไม่มีพืชอ น, นะพืชคือกรรมไม่มีหนอกคือวิญญาณซึ่งมีพืชคือกรรมเป็นเครื่องหมายและกิ่งใบมีนามรูปสลายตระนะเป็นต้นอันมีหนอกคือวิญญาณเป็นเครื่องหมายจักไม่บังเกิดขึ้นเลยถ้ามองว่ากรรมนี่เป็นเหมือนกับเมล็ดพืชอ น, นะพอเมล็ดพืชยังลงเพาะขึ้นอะไรอะไรงอกมา หนอก็งอกออกมาหนอกงอกออกมาปั๊บกิ่งกิ่งก็เกิดขึ้นเมื่อกิ่งก็มีใบเนี่ยนะมีใบฉันใดก็ดีกรรมเหมือนพืชหนอกคือวิญญาณนามรูปสลายยตนะก็เหมือนกับกิ่งและใบเนี่ยนะเป็นเครื่องหมายต้นเหล่านี้ก็เจริญงอกงามงอกงามเท่าไหร่ก็ที่นั่งกันอยู่ได้เนี่ยนะครับเป็นผลของเมล็ดพืชคือกรรมเนี่ยเพราะลงขึ้นปฏิสนธิวิญญาณก็ยังลงนามรูปก็ จเจริญเติบโตขึ้นนะเป็นที่แบ่งบานแห่งอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยนะก็สาเหตุไรมาจากปลูกต้นมเมล็ดพืชคือกรรมแต่ว่ามีบุญว่ามเมล็ดพันธุ์ดีน ะ, มะเมล็ดพันธ์ดีคืออะไรมหาวิบากนําเกิดเนี่ยนะมหาวิบากเพราะอะไรเป็นผลของกรรมที่ดีให้ผลนําเกิดด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าพระอริยะบุคคลใดไม่มีอวิชาเป็นมูลราก ไม่มีเถาคือมานะเป็นต้นใบคือความเมาเป็นต้นจักมีมาแต่ที่ไหนตังทีรังพันธนามุตังความว่าซึ่งพระอริยบุคคลผู้นั้นน่ะผู้ชื่อว่าทีระทีระก็คือนักปราดอ่ะ น, นะเพราะชำนะมานทีระนั้นประกอบด้วยความเพียรคือสัมมปทานสี่พ้นจากเครื่องผูกคืออภิสังขารอันเป็นตัวกิเลส ท, ทั้งหมดนั้นนั่นแลทวนนะว่าสัมมปทานคืออะไร ความภาพเพียรพยายามเนี่ยนะภาพเพียรพยายามภาพเพียรพยายามในการลดบาปอากุศนกันลดบาปอากุศลตัดทางแห่งบาปและอกุศลขณะเดียวกันก็พยายามให้กุศลเนี่ยเจริญงอกงามทำยังไงเนะอกุศลจะเจริญงอกงามคิดง่ายๆอย่างไี้ถ้าเราจะให้ทานเนี่ยนะทำยังไงเจตนาในการให้ทานของเราจะเจริญงอกงามได้ทำไงดี เราทําอย่างไรดีกุศลศีลของเราจะเจริญเติบโต น, นะกุศลศีลจะเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปทําอย่างไรสมรถาวิปัสนาของเราจะเจริญโดยส่วนเดียวทําอย่างไรเนาอริยมรรคจะเกิดขึ้นเมื่อวานได้ฟังคํําคาหนึ่ ง, งก็เลยพอนึกโอปะน่ายิโกว่างนันนะเขฟังบางสวดมนต์โอปะน่ายิโกแปลว่าอะไร น, นะโอปะนายิโกนั้นอ่ะโดยสภาวะหมายถึงมรรคผลนิพพานนะ โอปัญญโกเนี่ยหมายถึงโลกุตระนนะถ้ากล่าวตามมิสุทธิมักเนี่ยนะโอปัญญโกหมายถึงมักผลนิพพานมักผลนิพพานเนี่ยควรน้อมให้เกิดในในใจนเรียกว่าโอปัญิโกวควรน้อมให้บังเกิดขึ้นกับใจส่วนนิพพานก็คือควรน้อมใจเข้าไปรับรู้ทีนี้มหากุศลของเราเนี่ยนะถ้าเราจะเจริญกุศลเนี่ยนะเราต้องเอาจิตเราเนี่ยน้อมไปเพื่อให้อริยมักเกิดขึ้นในใจ นะครัว่าเป็นตัวเชื้อใช่ไหมเป็นพืชเป็นเชื้อเป็นตัวเพาะปลูกให้อริยมรตบังเกิดขึ้นในใจทัานกุศลธรรมเหล่านี้เนี่ยนะเราก็น้อมไปเพื่อให้อริยมรคอริยผลเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นโอปัญิโกเพราะตัวมรลเป็นลักษณะของโอปัญิโกทํำยังไงมหากุศลที่เจริญเหล่านี้ทุกวันแต่ละวันประจําวันเหล่านี้น้อมให้อริยมรคอริยผลเกิดขึ้น น, นีแล้วก็น้อมมหากุศลที่เจริญอยู่ทุกวันเนี่ย เป็นไปเพื่อทำให้แจ้งพระนิพพานผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงดังกล่าวไปเนี่ยเนะจริญอย่างนั้นเนเรียกว่าผู้มีสัมมประทาอนอานาพเพียรที่จะเจริญให้กุศลจิตเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องตังตังเนี่ยนะโกตังเป็นต้นเนี่ยคำว่าตังหมายถึงใครเล่าตังคือนั้นเนี่ยนะ ผู้มีชาติแห่งวินยูชนวินยูชนนี่แบ่งออกเป็นอริอุคติตันยูวิปัญจิตันยูนัยบาบุคคนหรือปราชทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นควรหรือเพื่อจะนินทาครหาผู้พ้นจากสัพพากิเลสพระพุทธเจ้านินทาพระอญยาโกนัญญะมีไหมพระสารีบุตรนินทาพระอญยาโกนัญญะท่านบรรลุได้อย่างไงเนี่ยนะเอามาไม่มีรบบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยนะ เขาไม่มีไปตำหนิหรอกมีแต่อะไรมีแต่ว่านึกถึงพระอัญญากณทัญญาก็บอกว่าสุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโคพระอัญญากณทัญญาพูดเป็นอริยสง์ปฏิบัติตาม ทำสอนของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติดีแล้วเนาพระัญญาโกณทัญญะปฏิบัติตรงแล้วเนาะพระัญญาโกณทัญญาปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วเนาพระอัญญาโกณทัญญาปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรมสมควรแก่การกราบการไหว้ควรแก่การลุกรับเชื้อเชิญควรแก่การทำอัญเชลีเขามีแต่ชื่นชมกันอย่างนั้นเนี่ยนะเพไม่มีใครไปตําหนิหรอกทําไมอะ่ะก็ตําหนิถ้าเราชมกับตําหนิเนี่ยมันต่างกันยังไง ถ้าชมพระอริยะบุคคลเป็นอย่างผลอ น, นิสงคืออะไรถ้าตําหนิพระอริยะบุคคลผลบ้านปลายคืออะไรถ้าตําหนิพระอริยะบุคคลนะลิ้นไม่มียังจะดีกว่าเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะมันจะได้ไม่เปื้อนบาปขนาดนั้นเนี่ยนะถ้าถ้าบอกว่าถ้าจะตําหนิจะดา่าพระอริยะบุคคลนะขอให้ลิ้นเน่าไปเลยยังจะประเสริฐสูงสุดกว่าเพราะอะไรเพราะจะได้ไม่เอาลิ้นเนี่ยไปตวัดหาบาปหาอากุศล นะเพราะว่าลิ้นอ น, นันท์ที่ไปตำหนิพระอริยบุคคลเนี่ยนะไม่รู้ว่าด่าอย่างไรอ่ะสิ่งนั้นคืออนาคตของเราในอนาคตนะถ้าเราดา่าท่านว่าอะไรอะไรดียาเลยเนาะไปด่าเลยสรุปโดยประการทั้งปวงแม้แต่คิดยาเลยนะไม่ดีเพราะนั่นคืออะไรนะที่มาของเคราะห์ร้ายที่มาของเคราะห์ที่มาของอันตรายที่มาของอุปัตถวันตราย แปลภาษาไทยว่าที่มาของสัพพะอุบาททั้งหมดจะมาประตามนั้นแหละดังนั้นการตําเนีพระเรียเจ้าเนี่ยเสียหายโดยประการทั้งปว ง, งนี่นะทีขณะเดียวกันถ้าเราชื่นชมล่ะถ้าเราชื่นชมพระอริยะบุคคลเหล่านั้นเนี่ยนะการชื่นชมบุคคลใดแสดงว่าเรามีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อจะเพื่อเป็นเป็นผู้มีคุณธรรมคล้ายกับบุคคลนั้นดังนั้นการชื่นชมพระอริยะ เราก็มีส่วนแห่งอริยะคุณที่จะตรัสรู้ต่อไปในอนาคตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาสวดมนต์อิติปิโสเป็นต้นอยเบื่อเพราะว่านั่นแหละเป็นอุปนิสัยให้เราได้เข้าถึงคุณธรรมเหล่านั้นลหลายคนก็บอกอิติปิโสก็ยังไม่ค่อยนึกไม่ค่อยตรึกไม่ค่อยระลึกถึงเป็นต้นเลยเนี่ยนะเราจะบรรลุอะไรขนาดชื่นชมในสิ่งที่ตัวเองจะต้องการจริงๆก็ยังไม่ชื่นชมไม่สนใจเลยถ้าจะให้บรรลุบรรลุอะไรนี่ยนะ สมมติถ้าเขาไม่ชื่นชมสวาขาโตภควะตาธรมโมสันทิโกอกาลิโกเอหิปสิโกเป็นต้นเนี่ยนะเขาจะบรรลุธรรมะอะไรถ้าเขาไม่ชื่นชมพระสงฆ์สาวกที่ที่ปฏิบัติดีตามธรรมวินัยเป็นต้นแล้วเขาจะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้หรือเป็นต้นถ้าเขาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็ไม่คู่ควรที่จะรับอริยทรัพย์มรดกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเขาก็ไม่สมควรแก่การพนทุก์เนี่ยนะ ที่กล่าวเราก็จะได้มาแบ่งแยกว่าเราเนี่ยคือผู้ที่ชื่นชมพระอริยะบุคคลอยู่หรือหรือตาหนิพระอริยะบุคคลถ้าตาหนิอยู่ในกลุ่มไหนถ้าชื่นชมอยู่ในกลุ่มใดที่สุดของการตาหนิคืออะไรอา น, นิสงส์ของการชื่นชมทั้งหมดอยู่ที่ไหนพอมาก็เลยเนี่ยพยายามจะหาอะไรที่ที่ชมชมเผื่อจะเป็นอย่างนี้บ้างนะ เอาเรื่องอะไรเราจะไปอะไรนะแช่งชักหักกระดูกให้ตัวเองต่อไปในอนาคตใช่ไหมก็ต้องหาเหตุแห่งความสุขให้ตัวเองม้างเนาะนะคนเนี่ยแปลกนะชอบอะไรนะสมมติการพูดตําหนิบุคคลอื่นค น, คนยิ่งคนที่มีคุณธรรมเป็นต้นก็เท่ากับแช่งตัวเองนะจองเวนอะไ ร, ะไ ร, ะไรผูกพยาบาทให้แก่ตัวเองแช่งให้ตัวเอ ง, ง, เ, องเป็นคนที่ดูหมิ่นเหยียดยม้มตัวเองที่เรียกว่าสาบตัวเองให้อนาคตเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น ทำไมเราต้องสาบอย่างนั้นด้วยนะก็มาชมคนดีต่อไปเราก็เผื่อจะได้ดีกับท่านเหล่านั้นบ้างเนี่ยนะเพราะถ่าเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะถ้าชื่นชมผู้ใดก็ในที่สุดก็จะเป็นคล้ายกับในที่สุดนะวันถ้าชมคนเลวในที่สุดเขาก็จะเป็นคนเลวอย่างเด็กๆบางคนเนี่ยโอยชื่นชมในการใช้อาวุธใช้ปืนชื่นชมในการยิงเป็นต้นเนี่ยนะในที่สุดก็ได้กระทาเช่นนั้นจริงๆ แต่ถ้าหากว่าฝ่ายในคุณงามความดีตั้งแต่เริ่มต้นปลูกฝังอุปนิสัยให้เจริญเติบโ ต, ตในที่สุดก็เป็นเช่นนั้นจริงๆพราธอยู่ที่การน้อมเอียงเนี่ยนะจิตเนี่ยนะเราจะให้จิตเนี่ยโอนไปทางไหนล่ะเนี่ยนะโอนให้ไปทางไหนพัน้าหากว่าเราโอนไปในทิศ ท, ทางที่ดีพระองค์บอกว่าการเจริญกุศลธรรมหรือการเจริญอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยนะเหมือนกับแม่น้าที่ไหล แม่น้ำสายใหญ่ๆเนี่ยไหลไปไหนสายใหญ่จริงๆไหลไปหมหาสมุทรฉันใดผู้ที่เจริญอริยมรรคเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ก็ไหลไปสู่มรรคผลนิพพานฉันนั้นขณะเดียวกันตรงกันข้ามถ้าเราเจริญอะไรดีท่านบอกว่ามีอยู่ในอวิชชาสูตรการคบป่าปมิตรที่สมบูรณ์โอ้ถ้าเราโอ้รู้จักคนชั่วทุกกระเบียดนิ้วแล้วก็จะได้ฟังคำพูดของคนเลวโดยสมบูรณ เราจะฟังเดรชานกะถ า, าฟังเทคนิคการทําความชั่วอย่างชนิดทเท่รียกอะไรนะบอกเก่งกว่าอาจารย์อีกสามารถพลิกแพลงได้กว่าอาจารย์เนี่ยนะถ้าเราฟังได้ขนาดนั้นเนี่ยจะมากไปด้วยอะไรถ้าฟังอสัตยธรรมเนี่ยนะฟังเดรชานกะถาอย่างเต็มปียมสมบูรณ์อโยนิโสมรัสิการก็เก่งพันพวกสายนี้เนี่ยนะทั่วๆไปเนี่ยมองเห็นทุกอย่างเป็นอาวุธได้หมดเลยปาณปฏิบาตเก่งมองทุกอย่างโกงได้หมดเลย นะทุกคนทุกแห่งไปผิดกาเมได้หมดเลยทุกแห่งพร้อมที่จะมูสาวาฏได้หมดเมาได้ทุกที่นะมุส า, าวาฏมูสาวาฏพุสวัจาเป็นต้นเนเจอเรนเต็มเปี่ยมอันอยโยนิโสมนัิการที่มากขนาดนี้เนี่ยนะฮิริโอตปะก็ไม่มีเมื่อไม่มีฮิริโอตปะอินทรียสังวรก็ไม่มีเมื่อไม่มีอินทรียสังวรทําอะไรต่อทุจริตสามก็เต็มเปี่ยมสรุปว่าไปสร้างความชั่วไว้ทุกขนทุกแห่งและก็ทุก รางนิ้วถ้าทำความชั่วอย่างนี้บ่อยๆนิวรก็เล่นงานนิวรนบอกว่าห้ามไม่ให้ทำความดีโดยประการทั้งปวงให้ทำบาปต่อๆไปถ้านิวรกลุ่ม ร, มรุมเต็มที่อะไรเติบโตวอวิชาก็ลําต้นอวบขึ้นอวบขึ้นโตขึ้นตขึ้นถ้าวิชาเต็มเปี่ยมภาวะตันหาก็นำไปสู่พบใหม่เกิดที่ไหนหนอะที่ไหนหนาะนั้นถ้าเกิดขึ้นปฏิสนธิเกิดขึ้นเคยเห็นภาพงูพิษไหม นั้นและที่สุดของการเจริญบาปอกุศลก็ไปเป็นพวกอสสารพิษทั้งหลายเป็นต้นไปเป็นสิ่งที่เลวร้ายไปที่ไหนก็เป็นที่เกรงกลัวของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะก็เกรงกลัวทีนี้ถ้าเป็นงูพิษชีวิตใช้อยู่ด้วยอะไรอ่ะถ้าเป็นงูเนี่ยนะกินมังสวิรัตเลยไม่นะทุกอิ่มทุกมื้อคือเนื้อคือชีวิตของสัตว์อื่นนั้นถ้าไปตกสู่อาบายเนี่ยนะหลายๆอย่างก็อย่างว่า ทุกมื้อคือชีวิตสัตว์อื่นหมดเลยนั้นก็กว่าจะเจริญเติบโตอยู่ได้ชีวิตชาติหนึ่งถ้ามีชีวิตอยู่สิบปีก็ทําบาปสิบปีสิบปีวรรกี่ตัววรรกี่ชีวิตก็ว่าไปเนี่ยนะพันชีวิตที่อยู่นั้นก็จะอบายสู่อบายจากวินิบาตสู่วินิบาตจากนรกสู่วินิบาตจากวินิบาตสู่นรกก็ไลเวียนอยู่นั่นแหละเพรันการการครอบอาศัตบุรุษเป็นต้นนั้นจึงเลวร้ายถ้าหากว่าเราเข้า เข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอย่างพระัญญาโกลธัญญะเป็นต้นเนี่ยท่านเหล่านี้คือได้รู้จักพระพุทธเจ้าตอนแรกท่านก็หวังจะอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าใช่ไหยอยู่รับใช้หกปีนีอยู่รับใช้ชตั้งหกปีเพื่อจะได้ว่าโอท่านจะได้บรรลุถ้าท่านบรรลุท่านจะได้สอนเราเนี่ยนะในที่สุดเห็นท่านไปบ ร, ริโภคอาหารก็บอกว่าทงสัยไม่ได้บรรลุหรอกนะก็หนีไปก่อนที่จริงอ่ะด้วยด้วยปัจจัยหลายๆอย่างแล้วก็เป็น เอ่อเรียกว่าเป็นธรรมนิยามด้วยว่าตอนที่พระโพธิสัตว์จะตรัสรู้นั้นอุปถามต้อง น, นี้ทั้งหมดอันนี้เป็นธรรมนิยามยนะหลังจากตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ติดตามไปเพื่อแสดงธรรมให้ฟังท่านก็ตั้งใจฟังด้วยความเคารพเนี่ยนะฟังด้วยความเคารพแล้วก็มีการตรัสรู้ธรรมตามตามนั้นอย่างเป็นจริงเพรามันการการคบบุคคลเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากเอ่อย้อนกลับมาว่าเราจะคบคนใดก็ดูว่าเราชมอะไรอยู่ ชีวิตที่เป็นจริงเราชื่นชมอะไรและเราติเตียนสิ่งใดเนี่ยนะแล้วก็มาสํารวจดูว่าความเจริญหรือความเสื่อมเนี่ยนะบัณฑิตทั้งหลายเขาสืบสาวหาจากที่ไหนหาจากได้ไหนเขาดูได้จากแนวความคิดนั่นเอง น, นะสมมติของเราเองก็เหมือนกันเราจะเจริญหรือเราจะเสื่อมสืบทราบจากแนวความคิดว่าหรือสืบทราบจากอัธยาศัยของเราเองว่าอัธยาศัยของเราจริงๆอ่ะคืออะไร บอกว่าถ้าจะดูความเสื่อมของตัวเองนะดูว่าถ้าเรามากไปด้วยการมัตยาศัยมากไปด้วยพยาปาททัศยาสายมากไปด้วยทีนัตยาสายทีนมิทัศยาสายเนี่ยนะหรือมากไปด้วยมิจฉาทิฐิเป็นอัตยาสายปฏิเสธกรรมปฏิเสธอริยศาสตร์เป็นต้นคือมีจิตใจหมกมุ่น น, นะนิวรพาไป มีจิตใจเนี่ยนะเอียงไปหาการมาฉันทานิวอนเอียงไปหาปยาบาทนิวอนเอียงไปหาถีนมิทะน้อมไปเพื่อจะทําบาปและอกุศลธรรมทั้งหลายน้อมไปเพื่อหมกมุ่นในวัตถุกรรมหรือน้อมไปเพื่อเป็นมิจฉาทิฐิปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปกลบเกลื่อนผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่ต้องการรับรู้เป็นต้นไม่สนใจเลยนั้นก็แสดงว่าอัธยาศัยนั้นเป็นอัธยาศัยที่ฆ่าตัวเองตรงๆจริงอยู่วันนี้ อันวันนี้ชาตินี้ผลบุญปกปักรักษาอยู่เพราะอย่าลืมว่าทุกคนที่ทุกคนนะใช้ของเก่าอยู่บริโภคของเก่าอยู่นะบริโภคอะไรของเก่าหมายความว่าบริโภคบุญเก่าที่เคยทําไว้ในอดีตถ้าบุญเหล่านี้หมดแล้วไปไหนเนี่ยนะเป็นที่น่าสังเกตว่าอาจจะอยู่ในเมืองอาจจะเลยไม่ค่อยได้ยินเสียงสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะแต่ถ้าไปอยู่ตามป่าตามเขานี่จะได้ยินแต่เสียงสัตว์เดรัจฉานตลอดเลย เข้ามาจากไหนนาะได้แต่เที่ยวเที่ยวถามถามใจตัวเองนี่แหละเข้ามาจากไหนทําไมมาร้องระงมไพรมันก่อนไปอยู่ที่เขาที่หนึ่งที่เชียงใหม่แล้วนะไปนั่งนอนฟังเสียงสัตว์อยู่นี่แหละมันมาจากไหนเนาะพวกนี้ทําไมมันเยอะเหลือเกินเนี่ยนะเราก็จะกลับไปฟังเสียงสัตว์ต่อไปมันมาจากไหนก็ถามบอกโอ้เนี่ยมารู้แล้วเริ่มเริ่ ม, เ, ม, เ, มเข้าใจเขาเขาแล้วมาจากไหนกันเนี่ยนะมันถ้าใครเดินเส้นใดทางใดก็ที่สุดก็จะไหลไปสู่นะตำแหน่งนั้นพ่าน เราต้องมาสบสบซ่าว่าไอความคิดแต่และความคิดเนี่ยจุดจบอยู่ที่ไหนอันนี้สงของกุศลจิตตุบาทเกิดขึ้นจบที่ไหนอันนี้โทษของอกุศลจิตตุบาทเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายอยู่ที่ไหนเนี่ยนะแล้วเราควรจะทำอย่างไรต่อไปหรือเราก็ไม่มีกไทายง่ายก็ไม่คุยกันแล้วนะพอละสรุปว่า ชาิบินยูชนทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยนะเขาไม่มีใครไปตำหนิติเตียนพระอาริยเจ้าหรอกไม่มีใครไปคอรหานินทาพระอาริยเจ้าผู้พ้นจากผู้พ้นจากสัพระเครื่องเศร้ามองอะนะออกจากสิ่งที่เศร้ามองคุณข้องมองใจได้ทุกชนิดท่านเหล่านั้นผู้ประกอบด้วยคุณธรรมอันยอดเยี่ยมมีศีลคูณเนี่ยนะมีกองศีลที่ยิ่งใหญ่มีอริยทรัพย์คือศีลเนี่ยเต็มเปี่ยมในใจ มีอริยศัพย์คือสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิพร้อมที่จะเข้าสมาบัติใดๆก็ได้ดังที่ใจปรารถนานนท่านมีปัญญาพิจารณาอริยสัจแทงตลอดสเสวยวิมุตติสุขได้อย่างสบายนนท่านผู้มีปัญญามีคุณธรรมเช่นนี้เนี่ยนะจะไม่มีการนินทาเป็นเครื่องหมายประทับตราว่าชมอย่างเดียวเอางั้นเถอะเรียกว่าเครื่องหมายเนี่ยน ะ, ะสมมติถ้าเป็นอย่าง คำว่าเครื่องหมายเนี่ยมันเป็นตัวสั ญ, ญลักษณ์ใช่ไหมบอกว่านี่คืออะไรแต่เครื่องหมายกากบาทสั ญ, ญลักษณ์อะไรอะเอามาเครื่องหมายบวกดีกว่าถ้าเครื่องหมายบวกปิดอยู่ที่ไหนนี่แปลว่าอะไรแปลว่าสั ญ, ญลักษณ์ของการช่วยเหลื อ, อะนะถ้าสั ญ, ญลักษณ์กกระโห ล, ลกกระดูกควายอ ะ, อะเครื่องหมายอันนั้นอันตรายไม่ดีอ่ะนะ ชันใดก็ดีเนี่ยนะคนก็เหมือนกันถ้าหากว่าคนพาลก็มีเครื่องหมายบัณฑิตก็มีเครื่องหมายคนพาล น, นี่เครื่องหมายคือความชั่วทางกายวาจาและใจเป็นเครื่องหมายให้บัณฑิตรู้ว่านี่ชั่วนะไม่ดีอันนี้เครื่องหมายอย่างนี้เนี่ยควรชื่นชมแลวควรตำหนิช่างเขาเธออย่างนี้หรือเปล่าเขาบอกว่าบัณฑิตจริงๆเนี่ยนะจะติคนที่ควรติชมสิ่งที่ควรชมจะไม่แบบเขาบอกว่าในโลกนี้ใครตาหนิ เป็นเป็นช่างตําหนิจริงๆที่สุดเลยนะช่างติเลยคนช่างติเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าคนช่างติขึ้นชื่อว่าความชมความชั่วบาปอกุศลพระองค์ติจริงๆเลยนะตาหนิจริงๆเลยนะตําหนิจนตําหนิความชั่วออ ร, นะรนะวาว้ายเลยวทามแล้วก็เป็นคนที่ช่างชมชมคุณงามความดีชมชมชมนั่นแหละนั้นของเราก็อยู่ในกลุ่มไหนนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าชมของเลวอุย้ยเลวขนาดไหนก็รับได้ทําใจได้เสมอ ความดีจะขาดไปบ้างก็ช่างมันเถอะถ้าอย่างนี้ก็ชักแย่แล้วนะนนนนที่จริงการศึกษาพระธรรมอันหนึ่งเนี่ยนะเขาเรียกว่าแว่นสองตัวนะแว่นสองกายสองว า, งวาจาและใจคำว่าแว่นภาษาโบราณภาษาสมัยใหม่เขาระยกกระจกกระจกสองกายกรรมกระจกสองวจีกรรมกระจกสองมนโนกรรมว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปถ้าหากว่าเป็นพระรายาบุคคลเนี่ยเราต้องประทับเครื่องหมายว่าเป็นบุคคลที่ควรแก่การ เชิญชมโดยส่วนเดียวเนี่ยนะอ่ากำลังคิดถึงว่าเราจะเจริญกุศลโดยที่มีพระสงฆ์เป็นอารมณ์ได้อย่างไรเนี่ยนะได้บ่อยและมากด้วยจริงๆเนี่ยถ้าหากว่าเราศึกษาพระไตรปิฎกอยู่แล้วเนี่ยนะในพระไตรปิฎกนั้นกล่าวถึงพระอริยบุคคลที่ที่มีคุณตามเป็นจริง แต่สมัยใหม่ไม่รู้นะแต่พูดถึงว่าถ้าเป็นพระอริยะในพระไตรปิดกเนี่ยอันนี้เป็นจริงแท้เพราะทุกทุกท่านเนี่ยพระพุทธเจ้าประทับตราให้หมดเลยประทับตราให้ว่านี่คืออริยะแท่อริยะแท้มันทุกท่านเหล่านี้มีเครื่องหมายแท้แน่นอนเพรันเรากอ็อ่านคําสอนเหล่านี้เราก็น้อมไปเพื่อที่จะชื่นชมท่านเหล่านั้นเพื่อเจริญเจริญอะไรเจริญสัตทินรีปลูกฝังอัธยาศัย มีใจกระยิมว่าเราจะเป็นเช่นนั้นบ้างเราควรมีคุณธรรมเช่นนั้นบ้างอ่าแล้วก็ท่านบรรลุก็บรรลุไปไเห็นเกี่ยวอะไรกับเราถ้าอย่างไ้ก็ก็อะไรก็แปลว่าอีก น, นานนะเธอขนาดว่าใจยังไม่น้อมไปเลยจะกล่าวไปยิ่ถึงการได้ตรัสรู้นะที่บอกว่าพระอริยะบุคคลเนี่ยนะเทวาปินังประสังสันติเนี่ยนะ อประสังสันติเนี่ยแปลว่าย่อมสรรเสริญนะแม้กระทั่งเทวดาทั้งหลายท่านก็สันเสริญแปลว่าถวยเทพผู้รู้คุณวิเศษหรือผู้มีคุณวิเศษมีเท้าสักกะเป็นต้นย่อมสรรเสริญด้วยแม้กระทั่งมนุษย์ผู้มีอ่าเป็นมนุษย์ที่เป็นกษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตก็ย่อมสรรเสริญนะเพราะว่าเท้าสักกะเนี่ยนะเป็นถือว่าเป็นอุปถัมภ์ท่านหนึ่งของของพระพระอะไร พระัญยากลทัญญานะพระัญยากลทัญญานี่มีเท้าสก่าเป็นอุปถักนะแม้พรมก็สรรเสริญเพราะอะไรเพราะมหาพรมนาคยักษ์คนทันคนที่ที่ประเสริฐทั้งหลายเขาก็ย่อมสรรเสริญย่อมชมเชยพระอริยบุคคลเหล่านั้นนะเพราะว่าพระอริยบุคคลเหล่านั้นเนี่ยก็ที่จริงเราก็สรรเสริญนะเมื่อกี้ก็สรรเสริญเมื่อกี้ก็สรรเสริญสังฆคุณอยู่ไม่ใช่หรืออ่าท่นธำไมยังสังฆาพิธูติงกะโมรมาเสเนี่ยนะนะ เชิญเถิดเราทั้งหลายทำความชมเชยในพระสงฆ์เถิด น, นะพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแล้วคือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นัเปลี่ยงตัวบุรุษได้8ปบุรุษนั่นแหละสงสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นตนน้นนะะที่จริงเราก็สรรเสริญ น, น, นะนะ ถ้าสงเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสกุฏหมู่ใดเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีข้าพระเจ้าไหวพระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อนะที่จริงของเราก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรหรอกจริงๆ น, นะก็เจริญสัตทินรียอยู่นะกำลังอบรมสัตทินซียอยู่อะไรนะเมื่อกี้ยังบอกอีกนะจักทาในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลังถ้าวันไหนอ่อนเพลียจะทำยังไงเอาเรียวแรงมันน้อยอะจะทำยังไงกันเนี่ยฟังให้ดีนะตามสติกำลังไม่ใช่วันนี้เราศรัทธาเราน้อยเราก็ทำแต่น้อยเจริญแต่น้อยวันนี้ศรัทธาเรามากเอ๊ะลดๆดหน่อยก็ได้มั้งถ้ายัางงี้ก็ไม่ไหวแล้วนะก็ต้องดูว่าถ้าน้อยถ้ารู้ว่าน้อยต้อง อคำว่าตามกําลังนี่หมายความว่าจะต้องเพิ่มให้กําลังมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยนะเพิ่มความรู้เพิ่มความเข้าใจเนี่ยนะไม่ใช่ว่าโอ้ยอ้างว่าเรากูปัญญาน้อยเราก็เจริญแต่น้อยรู้ว่าน้อยจะทํำยังไงเอารู้ว่าน้อยเขามีแต่เพียนเท่งนั้นแหละอ้าวถ้ารู้ว่ามากอยู่แล้วล่ะเขามีแต่รักษาแล้วก็มีแต่เพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยนะไม่ค่อยได้ยินหรอกคนว่าคําว่าพออย่าลืมว่าพระพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะอะไรคุณธรรมสองประการนะ ไม่สันโดษในกุศลสองไม่ทิ้งความเพียรเนี่ยนะคุณธรรมสองประการนี้แล้วพระพุทธเจ้าจึงเกิดขึ้นได้